มเหอาจะพูดอะไรฟูฟุตรงอย่บ่อยจุดจุดจุดจเก่าจุตัจุดจเก่าวิเลษก็จะเก่าทำที่จปฏิบัติของเก่าอะไรที่จะใหม่ขึ้นคสคัญการปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติใจต้องตัวเอง เรจะปิบัติที่อื่นในเรื่องของศาสนาอยู่ตายกายรายใจศนาอส่นอเ่นเรย่งเกี่ยวกับศาสนาไม่ใจแข็งข้งศาสนาเป็นศาสนาวัตถุยดูืหานอยู่ที่อาศัยอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องเกศาสนาไจแข้งศาสนาจริงใจก็คือตายรายใจอยู่แตพูดเป็นกยนับถน ทุกคนมุ่งมั่นจะปฏิบัติตัวของตัวใะรับความสุขความสบายแต่ความสุขความสบายคือขวกเราทั้งหลายตรงการมันอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ใหลชิดติดตามอย่างนอกแต่เวลาความสุขไปอยู่กับวัตถุจะอยู่กับกามอารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกแต่คุดเรื่อยไปต้นเรื่อยไปหาเรื่อยไป แต่ตอนนี้ในจิตใจศึกต็เปลี่นความศึกจิตเหมือังแล้ก็ยังดันดุดกดกดแสวงหาตลอดมาคือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่หรือยอดเยี่ยมเข้ามาภายในคือปฏิบัิกายใจทั้งตนความศึกของศาสนาจิตต่อศาสดาตรงสันเหลื่อมคือความสึก เกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจจิตใจสี้นไปสายแสแต่เปลืองไปตามสัญญารมต่างๆพยายาม บ, างาบาังคับบัญชาจะกดละงับโดยการภาวนาทามจิตของตนในจิตตามสัญญารมส่วนนั้นบงังคับบัญชาให้อยู่ในคำบริกรรมหรือเปล่ที่นิดที่จะได้นะวัตถุอันหนึ่งอันใด ซึ่งเป็นอยู่ในเนื้อในตัวของเราเองเส้นผมขนแล้วกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบหนึ่เป็นเรื่องทุกคนที่จะต้องฝึกฝนอบรมนอกจากนั้นเมื่อจิตมีพืน้นฐานตามสงบ ทางด้านจิตใจดีเด่นแล้วขออาศัยปัญญาที่เจน่ะตามความเป็นจริงของจริงเหมือนนั้นให้รู้ให้เห็นตามตป็นจริงของมันว่าสิ่งนั้นนั้นมันมีการเกิดขึ้นแปรปวนและแปกสลายอย่างไรจิตใจที่เไปหลงติดข้อ ง, ง, องยึดถือไม่อยากจะให้มันแปรปวนไม่อยากจะให้มันแปกสลายมัน เนทุกข์หรือเป็นสุขเราบังคับได้อย่างใจหมายหรือไม่หนึ่งในเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขใจของตัวที่ติดข้องเมื่อทุกคนสนใจกระชับปฏิบัติภายในคือกายวิจายใจของตนตนนั้นจะได้รับความสุขจากพระศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ ต้องอธิบายถึงเพราะจะทราบจากการเห็นการเป็นขั้งสองถ้าทุกคนสนใจใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะที่จะนาภายในใจถี่ใจแต่ ส, สายสูงกลงไปเรื่องภายนอกพยายามข่คมขู่พยายามปัดถพี้ใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความเลงเลื่อม เ, เ, เป็นอาจเป็นทาให้สายใจไม่เห็นไม่เป็น ถึงจะศึกษาหรืเรียนเลือฟังขนาดไหนจใจใจท่องตัวนไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเ่งขนาดไหนมีวาทะคมคายขนาดไหนแต่ใจท้องตัวไม่เป็นแต่ให้นั่นก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก็หลดดหลงภายในบังคับบัญชาคู่เห็นอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้น ยังทำความเดือดร้อนซึ่งซอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้นี่โดยจิตขาดอัดทําภายในแต่นั้นทำคําสอนของพระพเจ้าจึงยกต่อมาภายในซึ่งทางวัดทางศาสนาถือว่าโอปนยิโกน้อมต่อมาภายในดูกายใจของตนเห็นสิงใดได้ยินสิงใดยึดจุงอะไรเป็นเรื่องสืบความสืบ จะนึกจิน้อมพอมาภายในการเห็นนั้นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวถ้าเห็นเป็นโทษก็กวนละเห็นเป็นประโยชน์ก็กวนเห็นควนบําเพ็ญให้จิตใจได้รับความเยือกเย็นสงบเห็นเป็นโทษคือเห็นเป็นกิเลสตัณหามุ่งหน้าส่งออกไปทายนอกจิตในรูปที่เห็น สิตัวชอบอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นเกิดกำหนัดยินดีเกิดเชิญมัวเมาหลุ่มเหลงเป่าฝันได้ตามรูปทสิตัวเห็นนั่นคือเห็นที่เป็นคิดเป็นใครเสียใจท่องตัวถึงเถิดเชิญมัวเมาเพราะความลุ่มเหลงไม่ใช่เกิดเชิญยินดีในทางลาขอนไม่ใช่ พิยงเหล่านั้นเถิดเถิมไปสิงเหล่านั้นจะคงเต้นคงวาอยู่ได้ตลอดไปจะมีการลหลงไหลหรือเสียใจให้แก่ตัวเองภายหลังนี่คื อ, ค ว, อความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเรื่องของกิเลสแต่ความเห็นของธรรมตาผ่านเห็นผ่นตัวที่นี้พีเจริญนาหาทางที่จะแ น, น้นสอนตัวเอง โดยอาจทมต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นาการจียงตามันมีทุกคนหูมันมีทุกคนจิตควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่เพราะว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้พิจารมาในทางอาจทำจึงเกิดการลุ่มหลงเผิดเทิญสิ่งใดที่เราเผิดเทิญลุ่มหลงยึดถือสิ่งนั้นแหละจะให้ทุกแก่ใจของตนยิ่ง ยึดถือมากเท่าไรยิ่งรักให้ตรงโน้นเทา่าไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแก่จิตแก่ใจมากขึ้นสิ่งใดที่เราปล่อยวางไปได้ในจิตห้องสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางทพิจรารณาละถอนหาทางพิจรารณาแนะสอนจิตใจของตัวนี่คือคูอการพึ่งปฏิบัติอักธรรมตาเห็นก็มาพิจรารณา ให้เป็นธรรมเช่นเป็นรูปตียังนมแน่นสวยงามไม่ว่ารูปหญิงรูปชายจิตใจจะต้องติดข้องยินดู เ, เพิดเชิญมีปกติจิต ท, ที่ยังไม่มีอาจมีธรรมทุกคนจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาส้งเร็จปริญญาสั้นไหนมาก็เป็นอย่างนั้น เพราะจิตใจในนี้อาจทำภายในจะล่มหลงไปตามรูปต่างๆเมื่อล่มหลงก็อยากได้เมื่อยากได้ก็แสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยอันตรายคือมันไม่คงเส้นคงวาให้มันจะแปรไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาติขาดขันผู้มีสติปัญญาภายในผู้มีอาจทำ ของใจพอเห็นเข้ารูปนั้นจะยังหนุนสาวสดใสงดงามขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงแบบรูป น, นาาี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจริงที่งมันเกิดมาเป็นของสวยงามหรือไม่หรือเป็นของสกับกอย่างไรและภายในรูปมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ยินดีพอใจหอมหัวชวนดมหรือไม่หรือเป็นของสก กรตกกระติคูลอย่างไรก็ต้องที่นี้พิจารณาแยกแยะเข้าไปจนถึงความยิงข้องมันนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิจารณาอูป อ, อันนั้นาตาอนนัอย่าตาเถื่อของรูปนั้นนั้นก่อนคือเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวขาเาวขาก็ามีความสวยสดงดงามเหมือนกัน ไปนานตีเขา้ารูปมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติขาดขันรูปนั้นนั้นจะต้องมีความเศร้าหนองรูปเหล่านั้นจะมีความไม่น่ายินดีไม่น่าเพอิเพลินเห็นเข้าก็หน้ า, อ, นน า, อ, นนาอิดหนาละอาใจหนึ่หมายถึงความแปรปรวนของโลกของรูปที่เราเห็นมาแน่สอนจิตใจของเรามาเห็นเพลิดเพลินลุ่มหลงไป เสียงก็เหมือนกันทุกเสีงทุกอย่างเนี่ยมีอาจมีทำแล้วจิตใจมันสม่ำเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเห็นปกปศ ก, กและสวยงามเสมอกันเพราะรูป ก, ก็สักแต่วรูปเสียงก็สักแต่ว่เสียงจิตใจแต่ไปจิบข้องยึดถือยินดีเสียใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปหากไป นี่คือใจมีอมัตในธรรมความลุ่มหลงเพิดเพินเห่เหอมในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจขอ ง, งท่านคือมีอัตมีธรรมจริงจังเขาสมมติอย่างไรก็สูดไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่เพื่อว่าใจขั้งท่านจะไปลุ่มหลงติดข้องเสาหมองเพิดเพินเป็นอันไนมน่มีเนื่อมันไม่มีอะไรมาลบลวนในความรักความ รังเกียจต่างๆจิตใจก็ตั้งมัน่นจิตใจต่อ เ, ย, เยือกเย็นจิตใจก็เห็นจริงความสุขความสบายเไม่มีอะไรมา่อกรวิวเกี่ยวข้องมันต่อสุขต่อสบายเหมือนดบลนไฟแสงเพียนของเราถ้าหากลมมาเป่าแสงเทียนนั้นบางทีต่อรุกมีแสงจ้าบางทีต่อลีแสงไปเพราะลมมาพัดมาเป่า จิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มากโหรายคนนั้นจะมมจมนนไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายจงิงจังแต่นั้นทางพุทธศาสน า, านการอบรมภาวนาการศึกษาธรรมะท่านจึงให้เป็นโอปัยิโกเห็นน้องเข้ามาภายใน แน่สอนใจของตัวไม่ให้หลุ่มหลงไม่ให้เฉือเฉลินความอยากของใจหากเราไม่มีเบรกเราไม่มีทมเป็นเสื่องวัดจส่งกัน้นจส่งห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบอริบูรณ์จิตกลางของโลกต่อทำนองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสำเร็จลุล่วงไปได้คนตายเสียเอาไปเผาไปสังหากมีสื่อพิเิด ไปปลุกไปทำเขาเป็นคนคือมาอีกสอบถามดูว่าจิตุิระหน้าที่ของโลกเสร็จแล้วหรือถึงขั้ตายอย่างนี้เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังอันนั้นยังอันนี้คัามอยากท้องใจไม่มีวันจกวันขึ้นหนเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอาถรรามภายในไม่เป็นอย่างนั้นนับวันสั้นบันแคบโผล่มาจะว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็ถูก เห็นแก่ตัวแต่เป็นที่เป็นไข่แก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนไม่เห็นแก่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีพิเศษกว่าเราตัวยาที่จะต้องพึ่ปฏิบัติให้เต็มเหตุเหตุรู้ถ้าพุทธเจ้าหรือคืออาจารย์ปาวกท่านต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสาคัญตัวเรื่องของคนอื่นทั่วไป จะประเพศตกายประพฤตใจของตัวให้ดีให้หมดลาคีกิเลสเมื่อหมดได้เมื่อไรเราจึงจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นแนะคนอื่นาหากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวเองตัวเองยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำหลับตรลาของศาสนามาสอนมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัวเองจะเสียวันเวลา คนอื่นคือไม่เกี่ยวข้องตั ว, ต ว, ตวพอยเสียไปเพราะตัวของตัวไน่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนำทำสอนที่ถูกต้องแน่นอนไปสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติในข่าใจในรู้เห็นในดีเด่นเต็นหมดสงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควรจะละ จะบำเพ็ญต่อไปความเป็นอยู่ปัจจุบันจิตใจของเราขัดข้องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญอีกทราบในรายจิตของตัวเองเห็นในความพ้นของตัวเองเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไป่อกวนความสมบงบสุขอันนั้นความสมบงบสุขอันนั้นตำลาทางศาสตร์นะ เป็นจริงเล่าโอ้ณถิสันติปลังสุขขังสุขอูมยื่งกว่าความสงบไม่มีความสงบธรรมดาจากการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงเรือมหยุดนั้นจะต้องแส่สายไป ต, ตามสัญญาอารมณ์อีกจึงมีการทำตันบ่อยถึกกันบ่อย นี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่ก่ทําให้ศรัทธาเชื่อมั่นว่าความสงบสุขมันดีพิเศษอย่างนี้มันมีรสขาตอย่างนี้โดยเน่มีคนไปบังคับบัญชาให้ภาวนาข่าเพียงแต่ความเชื่อความเห็นความเป็นในใจเคยไปศพพบมาจากความสงบจากการภาวนาจึงอยากทาเออยากเห็นอยากรู้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 ก็ยังมีทางสงสัยเพราะความเป็นความเหน็อนอย่างนั้นไม่อยู่ในวงสมมุติไม่ป่อเกี่ยวกับสมมุติไม่ป่อเกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกระยะถึงตายวาจาจะทําอะไรส่วงคว า, ามสงบความเป็นไปส่วนนั้นบริสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกการจะเขา้าที่หรือไม่เขา้าที่จะตายหาตายหงอย่าง สามันชนธรรมดาก็ไม่มีวันเวลาที่จะเป็นอัปปะมงคลสำหรับท่าคนนั้นอย่างพระราหัน ท, า ย, ทยนายิยะถูกวัวเจริตายในการสแสวงหาข่ามาบวชเขาพูดไปจากับสันเลยเสริญป่าปริมิตรคานคือถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วจะอยู่อิเลียบวใ ด, ดตามบริสุทธินั้นไม่มีวัน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 เข้าใจชัดเจนในความบริสุทธิ์ทั้งตัวนี่คือความบริสุทธิ์ที่เรียกว่านัตสิสันติพลังสุน ข, ขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติใน้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงได้พราะที่เหลือยังมีมัรคข้อปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนก็ยังมีอยู่เมื่อถึงจุดจบของมันเป็นอย่างไรมันจะจบได้เพรเดินไม่หยุด หยุดหม้ยปลายทางในต้องสงสัยจะต้องถึงที่ในเดินอยากจะถึงในยิน้มไมดื่มอยากจะอิ่มในทํางานจะอยากจะให้งานเสร็จนี่เป็นคิดเป็นไทยสาคัญสําหรับโลกสําหรับธรรมเาะนั้นเราทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาตั้งหน้าตั้งต า, าจะ ท, ำำทําบําเพ็ญอย่าทอดทิะอย่าพลอยหลัง อิสาพยายามทำตามโอวาสของพระพุทธเจ้าอย่าคิดตึงตึงไปเรื่องใหม่บังคับกายบังคับใ จ, บบ ใ, จให้อยู่ในกรอบของธรรมดีไในสอนใจของตัว อ, อยู่ทุกระยะใจจะมีคุณค่าใจจะมีสาระสำหรับตัวเองไม่ได้เหมาได้กาวตู่ดูหนึ่งว่าตัวของตัวเป็นโมฆะเกิดมามันมีสาระอะไร ที่จะได้จะเห็นจะเจนจะรู้นี่คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมะถ้าเห็นธรรมะเป็นธรรมะภายในใจเรื่องต่างๆที่เราเคยเกาะเกี่ยวต่าสันเกิดเทมัวเมามันจะทมดตัวรือหลุดหนีจากความปุงความคิดจากจิตจากใจของพระคนนั้นสังขารถึงมีอยู่เป็นจิด ไปเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องสั้งขานแต่ความบริสุดธในใ่ทั้งขานถึงความบริสุดธ์แล้วสั้งขานยังมีอยู่สัญญาอยังมีอยู่เวทนายังมีอยู่รูปยังมีอยู่ยินญาอยังมีอยู่เพราะอันนี้เป็นขันในใ่กิเลสถ้าจิตไม่เป็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกิเลสถ้าจิตไม่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นปัญหา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 มีแต่ไม่เห็นมันไม่เป็นประโยชน์ต้องให้เห็นเพราะเรื่องของจิดเป็นนามธรรมรายละเอียดปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นนามธรรมเหมือนกันของรายละเอีย ด, ดยอมถึงกันได้เห็นกันได้แต่จะเห็นเดยตาเนื้อธรรมดาหากล้องไปยรือยายามรมาดูไม่รู้ไม่เห็น จะไปส่องที่ไหนไปหาที่ไหนเป็นกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นแต่เทาเอเวอบําเพนด้านเาวนาคนผิดเคยสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรเขาเองจะเห็นจปนปัจจิตตังตำรับการปฏิบัติฉะนั้นเราทุกท่านคือมุ่งมั่นมาประปฏิบัติหรือนับถือพระพุทธศาสนาควรเอาสาระจากการเกิดท้องเตือยได้ อย่าตลอยให้เป็นหมันตายไปเพิ่องเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ควรเตมใจที่นิพพิจารณาถึงเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้ตั้งใจบำเพ็เพียรที่นิพพิจารณาปัดเป่ากิเลสปัญหาความคิดตึงเค่งไปในทางชั่วทางเสียให้ตกออกไปจากจิตจา ก, จากใจนำธรรมะคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทาง ที่จะทําจิตให้สงบเย็นที่นิ่ที่จเจนบบาเพ็ญเลื่อยไปคนนั้นแหละ <c oughs> ถึงโง่ก็จะมีวันฉลาดถึงหลงก็จะมีวันรู้ถึงแค่เเพมเมื่อเมาก็จะมีวันต่างเบาไปเพราะใจสัมผัสกับอัรรมอยู่มสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของทุกคนควรสนใจควรฝึกตัวของตัว เมื่อฝึกได้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงมันก็อไม่มีอะไรโลกเปิดเผยอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรปิดบังที่จะเป็นปัญหาต่อใจท่านจึงว่าอาโลโกอุทปาทที่สว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนสว่างมาแต่ไหนแต่อะไรแต่อําหนานะใจมันเบื่เลยไม่เห็นแสงสว่างว่าอันนั้นนะ่ารักอันนั้นนะ่ายินดีอันนี้นะ่ะเกลียดนะ่ะต่างๆๆ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 ในดีพิเศษในได้ต้องเป็นตัวของตัวเองผันจริงว่าอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถเป็นแหลเป็นผ่งของตนแต่ชาวคนอื่นจะมาเป็นผ่งให้นี่คือทำจิต พ, พุทธเจ้ า, จาตรงแนะนำสั่งสอนกับพระสัตว์าำว่าสัตว์ก็คือผู้ข้่องมนุษย์ก็เป็นสัตว์ก็ยังค้่องอยู่สื่นที่ยังค่องอยู่เรเรียกวาย่าสัต แต่เป็นชีวิตแบบมนุษย์เทวดาอินทรหมเดมยักษ์ไม่ว่าหากจิตยังคล่องกิเลสปัญหาเรียกว่าสัตว์ทางศาสนาแต่เราหากเขามาเรียกเราว่าสัตว์เราก็อาจโกิดเหตุเขาเพรเหตุใดเพราะทราบว่าสัตว์เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจียงจังและไม่ได้กมาทำว่าสัตว์คือคูอคล่องเรายังคล่องอยู่เรายังไม่หลุดเหนี่ยวนเราจึงเกิดเขา เกลียดเขาปาเขาพูดในถูกตามนิยมสมมติแต่ท่านพูดบริสุทธิ์ภายในจิตในใจไม่เต็นอย่างนั้นถึงเขาจะพูดอะไรเสียงที่พูดขึ้นออกจากปากเขาพอหลุดปากออกมาเสียงมันก็ดับไปท่านในจะเก็บเอาไว้ภายในใจของท่านท่านพูดใช้เจ้าจีตถูกเขากล่าวหาดาหา่าว่าต่างๆ ถ้าไทยทของท่านไม่เคยสอบหมอนไม่เคยเสียหายเของท่านไม่เก็บเอาของเหน่าของเหม็นไม่เก็บเอาอะไภายในโลกรู้เห็นตามเป็นจริงก็รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารม์ก็ดีหน้าที่ของมันเกิดแล้วก็แปลพวงดับไปเสมอกันหมดไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกัน ว่าไฟดีไม้ว well. ่าายชั่วอย่างของโลกมันเกมาอย่างนี้ถ้าถ้าทีเราเหลงอยู่มันก็เกิดอย่างนี้ถ้าถ้าทีเรารู้มันก็เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะจิดบังนี่เพื่อจิตจที่เห็นตามเป็นจริงจึงไม่มีปัญหาอะไรภายในใจของท่านท่านจึงอยู่แบบกระดวกสบายท่านจึงเกี่ยวกับเหมืน้ํากับใบเบือ ถึงยืดด้วยกันแต่ก็เนี่ยติดเรื่อนกันถึงเอาน้ำไปเหยอยดใส่มันก็เลยืึมซาบลงไปในใบบัวนี่จิต ใ, ใจของพวกเราโดยส่วนใดที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอย่างนั้นเหมือ น, นกระดาษทับกระดาษซูนก็ถูกอะไรกระซึนเข้าไปดูดเข้าไปไม่ว่าทางดีทางชั่ว มื่อมัเป็นอย่างนั้นจึงควรประเัศปฏิบัติควรรักษาควรตั้งวรควรผูกปฏิบัติเบื้องต้นสืสนใจจะไปถึงมรรคถึงผลต้องเป็นคนทาตาให้บอดหู้ให้หูใหใหตหูให้หู้หูใอ้หูให้หห้หห้หูให้หูให้้หจจห็น อย่าไปคิดตามเรื่องที่เห็นหรือได้ยินแต่อย่าพึงไปคิดนี่ตือไม้จะให้จิตได้รับความสงบเยอะก่อนมีกําลังทางสมาธิหนักแน่นมั่นคงจึงก่อขีดเจรนาคลายหลังเรื่องต่างๆที่เห็นที่ได้ยินจะเป็นบันไดทำจิตทำใจให้สูงขึ้นโดยสอนสอนให้สงบเหมือนเด็ก เด็ดมาใหม่ๆยังไม่ใหญ่โตทําการงานอะไรไม่ได้เขาเหยียดเาปอมเด็กคนใดนอนได้พักผอนได้ในรบกวนเขาชมว่าเด็กคนนั้นดีแต่เมือ่อโตๆขึ้น ม, มาควรแก่การแก่งงานแล้วถ้าไปนอนแบบนั้นยินแล้วนอนไม่มีทําการทํางานอะไรพูดไปอีกอย่างเหยียดค้านไม่เอาทานอะไรเด็กคนนี้ เหมือนกันทางศาสตร์กันนะัดกสอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบเสียก่อนแต่เมื่อเตรียมแจการจากทีนี้พิจารณาระถอนกิเลสด้วยปัญญาต้องทําอีกไม่ใช่ว่าจะให้สงบถ้าสงบอยู่ถ่ายเดียวอย่างนั้นโดยไม่ใช้ปัญญาที่นี้พิจารณาอะไรสั่งทือว่าสมาธิหัวหลักหัวตตไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขกิเลสโดยไมเกิด ความดีอะไรถิอเป็นเรื่องพิเศษนีจะหลบไม่ใช่นักสู้พยายามที่ิติเจนะพยายามสอนใจลา ย, ายใจใจขั้งตนโอกาสเจลาของทุกคนที่เกิดมาก็ไม่เป็นของเีรังอย่างยืนหลบเป็นของแหนนอนบางทียังเล็กยังเด็กยังหนุนยังสาว กลมหายตายไปเจ็บไข้ได้บางทีแก่เท่าึนกอป่วยไข้ลมตายก็มีมีนิดเครื่องหมายของความตายไม่เป็นของแนนอนที่แน่นอนที่สุดก็คือลมหายใจเงาออกไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุมเป็นสาวก็ตายเดียกันทั้งนั้นสั้นๆเพียงลมหายใจออกหายใจเข้าเท่านั้นนี่คืออายุทองส่วนเรา ดังนั้นการปรพปฏิบัติเนื่ออะไรภายนอกยังไม่ได้มีมาเกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะประพปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเะมเน็ดจําหน่วยเรืเ่อเร่งขนไาย่จะทำบำเพ็ญให้จิตของตนยอดเยี่มเห็นธรรมควรจะแน่สอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็จะปล่อยวันเวลาให้เต็นหมันเลื่อยไป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 จะจิตปัญญาเป็นสังเลขาทมคือเป็นเรื่องกำจัดปัดเต่ากิเลสทำขาดความเพียนถึงจะเดินอยู่นั่งอยู่คำขาดคือกิริยาเหมือ น, นกวกาทำความเพียนแต่มันเป็นแตกกายใจไม่เป็นให้ถึงศึกษาถึงพิจะนะณา <c oughs> ถึงถึกปรมณ์บอกาเน้นแต่เทียนเทียนจะออกพัรษาแล้ว ในกี่วันก็จะออกพรรษากันความเป็นมาในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไรเป็นคุณค่าสําหรับใจผมชวนจะสอบสืบที่นิจพยานาตัวเองแต่ความจีิงออกพรรษาจิเลตมันไม่ได้ออกไปด้วยนะมันมีอยู่อย่างไรแตคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือนอกพรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันสําหรับ การประพฤติปฏิบัติสำหรับจิตใจจริง่มันชอบจริง่มันไม่ชอบมีอยู่อย่างไรนั่นก็เครื่องที่ดีงามอย่อยางนั้นถ้าหากเราเไม่ชำระสสารด้วยส ต, ติปัญญาแม่มีการภาวนาชลราใจจึงควรสอนตเตื้องเตื้เลื่อยไปประพฤติปฏิบัติเลื่อยไปใจที่มีอาจมีธรรมมีความเบิก บ, บานหยินมแยมแยมใสภ า, ายใน ใครเข้าใจเห็นไม่เห um, ็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอยู่อย่างไรเราสามารถที่จะทราบได้จากตัวของเราเองคนอื่นเขาจะเอาประกาศนิยบัติมรติให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขาหใจของเราไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีดมันก็ไม่เป็นเป็นผเป็นประโยชน์อะไรถ้ามันดีที่สุดจะตั้มนีิ จนปากมันฉ <Humans. S 1> ีกน no, no. ้องคนนึ Girl, dreams, ่เห็นเสียหายอะไรแต่ที่เจน่าให้ถึงแก่ของความเกริงแล้วจะไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเสียใจให้ตัวเองก็เกิดมาเป็นโมกขะพยายามต่อพืชต่อพืชบัตดฝึกหัดรวมตัวทั้งตัวจิตดีจิตมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็สุขไปตาม เห็นสิ่งกี่เป็นเดินเป็นไทยก็ตับเกิดตามเนตตาสงสารไม่มีความกลัวกระดุกในสิ่งเกี่ยวไปไม่ว่าใัยอันตรายจากอะไรพอใจสงบพอใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรมหนักขี่ของศาสนา สอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชเยสราวด์หญิงชายศึกษาได้ทําได้คนถือทาตามเรื่ององศาสนาเป็นค้าติสุสามเณรเก็ดีเป็นฆราวาสจะดีสะาดประพฤติตามคานองคลองธรรมที่ขันแนรสอนมีความสุขความสบายในทะเลาะเบาแย่ ไม่ผิดเสียงกันพราใจรู้อดเหนธรรมเพราใจสงบโลกก็เลยสงบใจฟั่นป่วนเรรวนเดือดร้อนก็อยู่กบถานคือใดเห็นอะไรก็เดือดร้อนเขาพูดดีๆก็เกิดเขาเข้ามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือใจมันชั่วใจมันเสีย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 จ่ายวาจาใจของตัวทุกคนสนใจต่างหน้าทำตามโอวาทธรรมาที่พระพุทธเจ้าสอนต่างขั้นต่างคนต่างแต่รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะจะเห็นว่าพอสมกคนใี่เวลาใช้จิเพียงแคนี้